ท่านวันนี้ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2533 เป็นระยะเวลาใน แต่ไข้หวัดนี่กินมาหลายวัน 6 กับ 7 กรกฎาคม 2533 ไม่ ตอนนั้นเท้าปวดมากเนื่องจากเท้าบวม <c oughs> ก็ 12 หมอ 2 หมอเจ๊กก็ต่างคนต่างร่วม 18 ลืมความเป็น <c oughs> 18 คือว่า กับพระที่เขาชนเดือนความ 50 เศษหลวง 60 เศษท่านมี ข้าชนเดือนนี้มารู้จักเอาตอนสมัยหลังสมัยเมื่อสมัยมาทุโดงแล้วทั่วโทษบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของเก่าหมดก็ <c oughs> กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีไม่ได้ยินเสียงสุนัข แต่ว่าพอตื่นขึ้นเช้าเวลาสายๆนิดหน่อยท่านก็ถามโรงว่าป่านว่าจะฉันข้าวมั้ยว่าป่านบ่ <c oughs> <c oughs> ไม่สั่งออกบิณฑบาตตามปกติก็ถือว่าคําสั่งต่อ ใครจะถามว่ามีความและประการที่ 2 รอบๆข้างก็มี ก็ตอนสายมานิดนึงพอตะวันขึ้นก็ไม่สายมากประมาณเช้าได้แต่มั้งพระเจ้าของถิ่นก็ถามว่าจะฉันข้าวมั้ย เอ่อน้ำใส่ไปหน่อยนึงเอาเค้าสารใส่หน่อยนึงแล้วก็ปิดฝาท่านถามว่าฉันแกงบอนมั้ย แต่ก็ถามว่าพ่อปานมาหิวหรือยังเห็นจะเป็นเวลาประมาณสักบ่ายสัก ก็ต้องนำเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่คนเขียนภายหลังไม่สามารถจะเขียนได้เพราะไม่รู้เรื่องความเป็นมาจริงๆเรา <c oughs> <c oughs> แต่ความจริงก็ตั้งกับพื้นดินแล้วก็เปิด <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องของอภิญญาในเมื่อกินข้าวเสร็จท่านก็คุยกันแล้วก็ท่านก็มาถามว่า <c oughs> ไปได้ตามกําลังใจที่เรียกว่ามโนยทิชอบเล่นทางใจมากกว่าเล่นทางกายท่าน การไปด้วยใจก็เป็นของไม่แปลกเพราะเนื้อว่าความจริงเป็นของ <c oughs> ว่าผมไม่นิยมใช้มันผมใช้เฉพาะใจอย่างเดียวทั้งร่างกายเกี่ยว มีความสนโดดอย่างนั้นก็ดีถ้าเอาอย่างนี้ก็ ก็ถามว่าธรรมปีติเป็น พระได้เห็นนิโรธสมาบัติได้ท่านบอกว่านั่นเป็นขั้นตอนของธรรมะการปฏิบัติเราต้องสามารถ แต่ก็รับตรงๆท่านบอกว่าผมเนี่ยเป็นพระมีบาง <c oughs> ที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขเพราะเทวดานาง มีวิชั่นมีตอนมีหลายตอนด้วยบ้างเทวดาบ้างท่านสงเคราะห์แล้วก็ท่านก็คุยต่อไปว่าจากถ้ำนี้ก็มีอีก บริเวณเป็นทุ่งขนาดเป็นทุ่งใหญ่พอสมควรแต่บริเวณที่ตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่ในอดีตแล้วถ้ำที่อยู่ใกล้ๆกับถ้ำนี้ก็ดีและถ้ำอันนี้ก็ดีเป็นที่เก็บทรัพย์สินของพระราชาเวลานี้ทรัพย์สินของพระราชามีทองเป็นต้น <c oughs> ไปถึงถ้ําธรรมเขาติดติดกันอาจจะแต่เป็นถ้ําของละธรรมพอเข้าไปใกล้ๆก็เสียงเอิกก็ในเสียงดัง ไม่มีใครเข้าเอาอะไรหรอกนี่เจ้า แต่ในที่สุดก็ แต่เครื่องประดับโดยเฉพาะทองจริงๆถ้าจะ <c oughs> เราท่านอาหาอัศมาพกคุณนั่นแหละเคยเป็นลูกของกษัตริย์เมืองนี้ถามว่าสมัยไหนท่านบอกสมัยโคนนู่น จากนี้ไปทางเมืองเชนนาทไปถึงเมืองสันบุรีเวลานั้นเมืองเชนไนก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งเมืองสันบุรีก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งเป็นประเทศประเทศ ทางด้านทิศไปนิดหน่อยเป็นอาณาเขตไม่มากก็ถือประเทศหนึ่งแต่เป็นประเทศว่าอำนาจก็พากัน ก็ออกมาปากถ้ําความจริงดูหลายถ้ํา <c oughs> ถ้าผียอมให้อะไรก็จะครบ ท่านก็พาไปหลังจังหวัดเชนาท 1 วันแต่ว่าท่านเดินพาชมนกชมต้นไม้ไปไปเดี๋ยวๆ ก็พาไปที่ถ้ําทําๆแล้วก็มีหินสีขาวๆอยู่ก้อน 2 ก้อนเป็น ท่านก็บอกจะเข้าไปดูได้ไหมพระบอกทางเข้าไปดูมีไม่ต้องลัดหินเข้าไปหรอกทางนี้มีท่านเดินนําหน้าเข้าไปปากถ้ําก็กว้างประมาณสัก 2 วาเข้าไปก็เล็กเข้าทุกทีเข้าไปหน่อยนึงพบว่ามีน้ําพอมีน้ําก็เห็นเข้าไปก็เจองูงอนงูงอนนอนอยู่ ปรากฏว่าบอกว่าลูกชายท่านมาแล้วอยาก สมมุติมหานาคานี่เป็นเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาชั้นของทิศใต้เอ๊ะใช่นะ ก่อนที่จะตายก็จะมีความฝังใจในทรัพย์สินที่ตนอยู่ที่ <c oughs> อาจจะมายัฒยังตั้งทานที่นี่ก็ได้ใช้ตรง resonance ส่วนนี้เตราๆก่อน ก็มีมากangiสม bijาตาส wines เมื่อเข้าไป pict Katano เจ้าเฉ answering other sem part, is impeta สน序 ??rics bab scale ส์ мои abs Ethereum, of course. falls to a tree. xD. Chest gefụtte gäspara ger laborer, permetteounding and by Marines som Hermes poss สน наход Sleep부� garden, would be it.\ foldize an eat field, so we can buy it satellite clothes, like the source of meat and see it! packing it. ม <c oughs> ไอ้คิดเฉลี่ยแล้วจริงๆทั้งหมดเกิน <c oughs> 10 วันนี้มาคอยอย่าจะชี้ดูซักฝิ่นว่าซักฝิ่นนั้น และเมื่อการนำไปจะให้ไปที่ราน้อยแล้วก็ คงกังวลถึงพวกคนนี่แหละเกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินแม้เครื่อง อาทิตย์ตะวันตกวันนั้นนั่นคือมดมดแดงจะกลับตายท่านก็ชอบใจแล้วก็ไปก็ไม่ถามด้วยว่าลูก ท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่าถ้าลูกชายผมเชื่อท่านก็ไม่มีโอกาส <c oughs> พระปัญญาก็ถามว่าถ้าเค้าศึกออกไปเค้าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านก็ตอบว่าคนที่ศึกมาเป็นคฤหัสถ์ เวลานี้ถึงแม้ผมจะเป็นเทวดาก็จะมีความหนักเหนื่อย <c oughs> ผู้เองเคยฟังพระเทศน์ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังทรงประชน รถโทรตรงเนี่ยจะให้การคุ้มครองมั้ยถ้าบอกต้อง ท่านบอกถ้ากลับผมจะแล้วท่านก็เดินนําหน้าพอเดินนําหน้าออกมาประโกถึงเขาแหลมหลังตาคลีท่านแวะเข้าไปอีกจุดนั้นท่านบอกที่เขาแหลมนี่ซับกัน ออกจากเขาแลแล้วก็เดินเรื่อยๆไปใช้เวลาไปเดี๋ยว แล้วก็ได้พบทรัพย์สมบัติเก่าๆที่ผียืนยัน ก็จิตใจกําลังทรงอารมณ์อยู่ในเรื่องของทุจดงไม่มีความรู้สึกอยาก <c oughs> เราจึงเงยว่าผ่อซึ่งที่นี้และก็มารู้ข้างหลังนี้ว่านี่เป็นทรัพย์สินของเราแต่หากว่าเราจะปกครองทรัพย์ ในสมัยหนึ่งในชีวิตของเราที่ท่องเที่ยวใน ในเวลาเจริญนฤทิมันไปดูภาพสมัยเก่ามันก็ พระราชดอนเป็นคนหล่อนทองแล้วปันส่วนกับกษัตริย์กษัตริย์ได้มากพระ ขอโทษเวลาหมดแล้วนี่นะสัญญาณบอกผลามบอกสวัสดี